อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข อ, อนํารายการธรรมาราปรรุลกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยค่ะและทุกๆวันเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเมื่อมาพบกันนั้นดิฉันก็จะได้เป็นตัวแทนของผูง้ฟังทางบ้านค่ะในการที่จะนํามากราบนมัสการแล้วก็สนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์พิบูลอภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นอาลูกศิษย์เอกนะคะของ พ ร, พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่เกสอาดที่โทภโสหรือท่านพระครูสิทธิภพภกรท่านเป็นเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกที่ตำบลดอนไหาโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะท่านที่เป็นแฟนรายการประจําของเราก็คงจะได้ติดตามรับฟังกันเสมอมานะค ะ, คะสําหรับการพบกันใน เ, น, น, เนเช้าวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์แรกของเดือนกันยายนนะคะวันอาทิตย์ที่4กันยายนค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น7จ็ดค่าเดือนสิทธิ ขอเแ น, นะคะนำท่านผู้ฟังมารับฟังคาถาดีๆซึ่งในช่วงวันเข้าพรรษานี้พระอาจารย์พิบูลอภิบุรุษท่านก็จะเมตตาที่จะหยิบยกพระคาถาที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ตรัสสอนไว้ในวาระต่างๆเนี่ยมาเปลี่ยนแง่คิดความเห็นแกน่ท่านผู้ฟังทางบ้านกันนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัส ก, การพระอาจารย์พิบูลนพิบุรุ พ, <c oughs> พร้อมกันเลยนะคะกราบน้ำระส ก, การเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขาใช่เชิญพร ท่ค่ะพระชาจะหยิบยกพระคถาอะไรมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังและก็เตือนสติในช้าวันทิพีดีสุขค่ะในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องใกล้ๆตัวที่เกี่ยวกับการที่เราไปถวายทานทำบุญสร้างน้ำทำบุญลักษณะนี้คือทำบุญด้วยกันให้ทาน่าซึ่งเรื่องนี้ตอนนั้นพระพุทธเจ้าใกล้จะปารินิพพาน แ, แ, แล้วได้ไปอยู่ที่เมืองปาวาแล้วก็คืนนั้นเป็น เป็นวันเป็นวันหนึ่งที่ได้ไปรับพัฒหารของนายจุนทะกัมมารบุตรซึ่งซึ่งเราทั้งหลายคงจะทราบกันดีอ่านมือสุดท้ายของพระพุทธเจ้านะซึ่งนายจุนทะกัมมารบุตรเนี่ยก็จัดอาหารประเภทหนึ่งมาที่เรียกว่าสุกรามัทธวะซึ่งบางคนก็แปลว่าเนื้อสุกรบ้างบางคนก็แปลว่าเห็ดชนิดหนึ่งบ้างบางคนก็แปลว่าเป็นพืชชนิดหนึ่งซึ่งย่อยยากบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ความเห็นอาจจะยัง มีที่แตกต่างกันบ้างยังไงก็ตามก็จะใช้คําพูดที่เป็นทับศัพท์ไปเขาเรียกว่าสูกระมัถวะแซึ่งหลายๆนักวิชาการหลายๆท่านก็จะคิดว่าเป็นเหตุประเภทหนึ่ง <Okay. S 1> ทีนี้ว่าตอนนั้นพระรูญเจ้าก็มากับท่านพระอานนท์เดินทางมาถึงที่เมืองปาวาแล้วก็ไปที่สวนมะม่วงของนายจุนทะกรรมารบุตรและนายจุนทะก็เลยนิ ม, มนต์ให้พระรูญเจ้าเนี่ยไปรับพัตหานที่บ้านในวันรุ่งขึ้นใช่ไหม พอรับพัะทหารที่บ้านในวันรุ่งขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยผู้ชาก็เห็นอาหารจานนี้มาละเอานี่มันสุกรมัทธ ะ, ะนี่ก็เลยบอกให้ในายจุนทะเนี่ยเอาเอ า, เ อ, าอาหารจานเนี้ยมาเลี้ยงเราเอามาให้เรานะเราก็อย่างอื่นไปให้ภิกษุรูปอื่นซะแล้วก็พอตักใส่บาตรใช่ไหมเท่าที่พระองค์พอจะฉันได้แล้วก็บอกนายจุนทะกำกับไว้อย่างเดียวว่าเอาอาหารอันนี้นะสุกรมัทธ ะ, ะนี่นะที่เหลือนี่นะอย่าให้ใครกินให้เอาไปฝังนะเพราะว่าไม่เห็นว่าใครในโลกเนี้ จะย่อยอาหารชนิดนี้ได้ให้ไปฟังเสร็จปุ๊บพระองค์ก็ฉันอาหารมื้อนี้เพราะฉันอาหารมื้อนี้เสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ปรากฏว่าอาหารนี่มันย่อยยากคือพู้เจ้าเคยเคยตรัสเหตุปัจจัยของการที่จะทำให้เป็นผู้มีอายุยืนนะนะหนึ่งใน4อย่างนั้นเนี่ยคือการที่รับประทานอาหารที่ย่อยง่ายพอเรารับประทานอาหารที่ย่อยง่ายแล้วเนี่ยธาตุไฟในร่างกายของเราเนี่ยจะพอประมาณพอควร นะไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปแต่ถ้ากินอาหารที่ยอ่อยยากๆนะอย่างของทอดหรือของมันๆนเนี่ยโอ้โหร่างกายใช้พลังงานมากบางคนนกินอาหารเข้าไปนี่รึมเลยนอนหลับเลยก็มีนะอ่าเจ้าค่ <c oughs> ะต้องใช้พลังงานย่อยเยอะนะใช่ใช่เลยทำให้พระองค์เนี่ยแก่แล้วนะ80ปีน ะ, ะก็เลยป่วยเห็นไห ม, มป่วยด้วยโรคที่เรียกว่าท้องร่วงทองร่วงอย่างหนัก แล้วก็เลยบอกพระ อ, อ น, นุนบอกว่าเอา้าไปเราไปเมืองกุสินารากันก็พอรับประทานอาหารเสร็จแล้วเนี่ยตอนกลางวันในวันนั้นก็เลยเดินทางไปเมืองกุสินาราคือเดินทางทั้งที่ยังป่วยว่างั้นเถอะ <Okay. S 1> แล้วก็ป่วยหนักด้วยแหละแล้วก็พอเดินทางจนเหนื่อยอะ่ะก็เลยจะข อ, อนั่งพักสักนิดหนึ่งในระหว่างที่จะนั่งพักตรงนั้นเนี่ยก็เลยบอกให้ท่านพระ อ, อ น, นุนเนี่ยปูผ้าสังฆะเป็นสีชั้นไว้แล้วพระองค์ก็จะนั่ง พอนั่งเสร็จแล้วก็เลยให้ท่านพระอนุนไปหาน้ํามาดื่มเนื่องจากว่าอาหารบางคือบางทีเรารับประทานอาหารที่มีผงชูรสเนี่ยเราจะทราบเลยเราจะกระหายน้ำํำหรืออาหารที่ย่อยยากๆเนี่ยมันจะทําให้เราหิวน้ำํำนะ <Okay. S 1> แต่พระรูชาก็ป่วยอยู่แล้วก็เลยต้องการจะรับประทานน้ําก็เลยไปให้ท่านพระอนุ น, นไปเอาน้ํามาให้ <Okay. S 1> ก็ปรากฏว่าไลน์ดาริเอตตรงนี้ก็ยังมีว่าไปตักน้ำสองสาครั้งอะไรต่างามีเกวียนผ่านมาซึ่งคิดว่าทุกท่านคงจะทราบกันดีอยู่ แต่ที่ต้องการจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยก็คือว่าในขณะนั้นเนี่ยก็มีข้าบดีผู้หนึ่งที่ชื่อว่านายปุกุสะเนี่ยก็มาถวายผ้านะเป็นผ้าจีวรเนื้อละเอียดอย่างดีนี่แหละมาให้พระพุทธเจ้ามาให้2ผืนนะผืนหนึ่งก็ให้ท่านพระอานนท์อีกผืนหนึ่งก็เอามาคลุมให้พระพุทธเจ้าพอนายปุกุสะนี่เดินหลีกไปแล้วเนี่ยท่านพระอานนท์ก็เลยเอาผืนที่ตัวเองได้รับมาเนี่ย เอามาถวายพระพุทธเจ้าเป็นสองผืนเลยแล้วระหว่างที่เอามากลุ่มให้พระพุทธเจ้าเนี่ยก็พบว่าโอ้โหทําไมผิวพันธุ์ของพระพุทธเจ้าถึงผุดผ่องขนาดนี้ททั้งที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีผิวเหี่ยวย่นหย่อนยานนะนะเหมือนคนแกท่ทั่วๆไปแต่ทําไมพอวันนี้เนี่ยผิวผุดผ่องพรนะพุทธเจ้าก็เลยบอกว่ากายของตถาคตเนี่ยจะมีผิวพันธุ์ผุดผ่องในเวลา2ครั้งนะคือตอนก่อนปริพันธ์นี่แหละ เพราะฉะนั้นในคืนนี้เราจะปฏินิพพานละคุณทราบเองเลยนะเจ้าค่ะใช่ใช่ชเป็นผู้ที่ทราบก่อนเจ้าค่ ะ, ะแล้วทีนี้พอพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยก็เลยระลึกถึงนายจุนทักรรกมรบรุตรนะเพราะว่าคือคือพระองค์เองเนี่ยเพิ่งรับประธานาธิบเมื่อเช้าใช่ไหมพอตอนสายออกเดินทางมาที่เมืองกุสินารามามานั่งพักตอนเที่ยงนิดหน่อยก็เอาผ้ามาคลุมให้แล้วก็ตัวผิวปรกกายเนี่ยเริ่มมีชีวีวันผุดผ่องขึ้นมาละแสดงว่าคืนนี้ จะไปละจะปฏินิพพานละเพราะอาหารที่รับประทานมื้อนั้นเนี่ยตอนเช้าวันนี้จะเป็นมื้อสุดท้ายก็เลยมีความปริวิตตกอย่างนี้บอกว่าเอาตายละคงจะมีคนไปกล่าวหานายจุนทะนะว่าโห้ยนายจุนทะทํำไมเธอเอาอาหารอะไรมาให้พระพุทธเจ้านะทำไมทำให้พระเจ้าต้องลําบากกายเนี่ยปฏินิพพานเลยวันนั้นนายจุนทะจะเดือดร้อนมากใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็เลยแกนะ่บอกให้ท่านอนุเนี่ย จำความนี้เอาไว้จำคํานี้ไว้ว่าการถวายอาหารมื้อสุดท้ายเนี่ยกับการอาหารถวายอาหารมื้อสุดท้ายก่อนที่จะบรรลุเป็นสมมาสัมพุทธยานบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็มื้อสุดท้ายก่อนที่จะปรินิพพานเนี่ยได้บุญมากและคือหมายความว่าถวายอาหารมื้อนั้นแล้วไปนั่งสมาธิได้เป็นสมาสัมปจน์ยานะมื้อนั้นเนี่ยได้ได้บุญมากถวายอาหารมื้อนั้นเนี่ยแล้วไปปรินิพพานมื้อนั้นน่ยได้บุญมากซึ่งเจ้าของบุญนี้ก็มีอยู่สองคน คนแรกคือนางสุชาดาใช่ไหมหรือนางวิสาขาเนี่ยแหละรู้สึกจะเป็นนางวิสาขา <Okay. S 1> ที่ทวายข้ามมุทปาพยาต <Okay. S 1> ใช่ไม้มตอนคืนก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็นายจุนทะนะมื้อสุดท้ายก่อนที่จะบรรลุเป็นปรินิพพาน <Okay. S 1> แล้วก็ได้บอกนี้บอกว่าบุญนะได้กล่าวเป็นคาถานี้ออกมาบอกว่าบุญย่อมเจริญงอกงามแก่ทายก ผู้ให้อยู่ผู้ให้อยู่เวรย่อมไม่สืบต่อแก่บุคคลผู้ระ ง, งับเวรเสียได้คนฉลาดเท่านั้นละบาปเสียได้แล้วก็ น, นิพพานเพราะความสิ้นไปแห่งราคะโทสะและโมหะนะอันนี้บาพูดชัดเจนเลยในประโยคแรกที่บอกว่าบุญย่อมเจริญงอกงามแต่ทายกแก่ทายกผู้ให้อยู่ผู้ให้อยู่นั่นหมายความว่าถึงแม้ว่าทานที่เราจะถวายไปเนี่ย มันจะสำเร็จประโยชน์หรือไม่สาเร็จประโยชน์จะเป็นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราอย่าได้มีความกังวลในเรื่องนั้นอนี่นี่คือประเด็นที่จะต้องพูดกันในตอนนี้บางคนบอกว่าโอ้ฉันไปถวายทานใส่บาทพระไม่ฉันเลยอาหารกองเพเินเต็มวัดไม่มี ใ, ใครเอาไปให้หนู่นนี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะทําให้จิตของตัวเองจะไม่เป็นกุศลด้วยซ้ำดัง น, นั้นคือไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้นะแค่เราให้ไปแล้วเนี่ยให้ไปแล้วก็ชื่อว่าบุญเกิดขึ้นกับเราแล้วอ ดูอย่างในจุนท้าสินในจุนท้านี่ควรจะต้องเดือดร้อนด้วยนะอาหารมื้อสุดท้ายของฉันนี่ทําใหุ้ษษษษู้เจ้าปริิบัตพผู้เจ้ายืนยันว่าก็ได้บุญเหมือนกันเพราะฉะนั้นการให้ทานเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่ า, าถวายไปแล้วให้ไปแล้วจะเป็นยังไงอะไรต่างๆนะให้ถ้าเราจิตเป็นกุศลก่อนให้ระหว่างให้หลังให้ไปแล้วนี่ไม่ไมานึกเสียดายนะก็จะทําให้ได้บุญมากเคยมี นี่จะเป็นตัวอย่างที่สองของเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งรู้สึกเรื่องนี้ได้เคยเล่าไปในตอนตอน้ตนๆของภรษาอยู่ที่ว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งเขาไปถวายทานในพระประเจกพุทธเจ้าใช่ไหมแลวตัวเองก็ไม่ได้ทำเองด้วยให้ลูกน้องเอาไปให้เกิดเอาไปให้เสร็จแล้วลุกเดินหนีไปแล้วมันนึกเสียดายทีหลังว่าโอ้ยไม่น่าให้เลยน่าจะเอาอาหารนี้ไปให้ลูกน้องดีกว่า <Okay. S 1> ใช่ไหด้วยความที่เขาเสียดายในบุญที่เขาสร้างเนี่ยทให้ ในภายหลังเนี่ยพอเขาเกิดมาเป็นเศรษฐีใช่ไหมเขาไม่ได้มีความสุขในเขาเรียกว่าเงินทองที่เขามี <Okay. S 1> านุ่งห่มด้วยผ้าแบบป่าๆต่อๆกันหลายๆผื น, นไม่ได้เป็นผ้าเนื้อดีๆหรือวาอ่าขับรถก็ขับรถเก่าๆปวดท้องปวรทั่ ง, งแล้วก็กินอาหารนี่ก็ไม่ได้กินอาหารดิบดีอะไรพอใจในอาหารห ย, ยาบๆแต่นั้นตัวเองมีเงินมากเหลือเกินซึ่งเราก็เห็นได้ในปัจจุบันนะคุณเตือนใจบางคนรวยรวยๆมากๆเลยนะปัจจุบันเนี้ย แต่ว่ายังพอใจเสื้อเก่าๆขาดๆของตัวเองก็มีนะเรามาเคยเห็นเศรษฐีคนหนึ่งอยู่แถวสมุทรปราการนะเป็นเศรษฐีที่ดินลูกลูกหลานเขาเนี่ยก็พยายามที่จะเอาเสื้อตัวที่เขาชอบนะซึ่งเป็นเสื้อเก่ามากเลยขาดๆปะ ๆ, ๆเนี่ย <Okay. S 1> จะเอาไปทิ้งแล้วก็เปลี่ยนใหม่ให้นะตัวเจ้าของเสื้อเนี่ยซึ่งเป็นแก่มากแล้วเจ็ดสิบแปดสิบแล้วล่ะ <Okay. S 1> ก็ยังไปหาเสื้อนี้มาเอามาซักมาใช้ต่ออีกอนะ <laughs> ซึ่งก็ยังพอใจในส่วนบุญที่ตัวเอง น่าจะได้ดีกว่า น, นี้อยู่ เ, เพราะฉะนั้นเวลาเราให้ทานทําบุญไปแล้วอย่าไปนึกเสียดายอะไรที่ให้แล้วก็คือเราสละออกแล้วถือว่าสําเร็จประโยชน์ในจิตของเราแล้ว อ, อย่างที่พระเจ้ายืนยันตรงนี้นะว่าบุญย่อมสําเร็จแก่ผู้ที่ให้อยู่อย่างนี้แค่นั้นเองแล้วสาหรับประโยคที่สองที่ใ น, ในพระคาถานะคะที่แปลว่าเวรย่อมไม่สืบต่อแก่บุคคลผู้ระ ง, งับเวรเสียได้อันนี้โยมคิดว่า องค์พระสัมาสัมพุเจ้าคงจะทรงทราบโดยยานพิเศษนะเจ้าคะว่าอาหารเนี่ยเป็นอาหารที่คงจะเป็นพิษทําให้พระองค์เหมือนกับเป็นชูหรืออะไรเราจึงได้สั่งว่าให้เอาไปฝังจ้าไม่ให้คนอื่นรประทานด้วยเนี่ยเจ้าค่ะใช่อันนี่ไม่ทราบมันมีปริศนาทําอะไรไหมเจ้าค่ะก็คือได้บอกไว้ชัดเจนเจ้าค่ะว่าว่าเอโหสิกรรมใช่ไหมเจ้าคะใช่ใช่แล้วก็ได้บอกไว้ชัดเจนคือไม่ต้องมีความกังวลใดๆเลย <Okay. S 2> ว่าบางคนอาจจะไปเข้าใจว่ามีการคือเวนเนี่ยเป็นลักษณะของการที่สืบต่อกันไปใช่ไหม <Okay. S 2> ถ้าเราก็ปล่อยเวนไม่มีการผูกเวนกันนะแล้วก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ระ ง, งับเวนเสียได้แล้วเพราะฉนั้นในส่วนตัวของพระองค์เอง เ, องเนี่ยไม่มีการผูกเวนกับในจุนทาหรือว่าใครใคที่เอาอาหารมาให้ในวันนั้น <Okay. S 2> ซึ่งพระสงฆ์ที่ฝึกจิตดีแล้วหรือว่าบุคคลที่ฝึกจิตดีแล้วก็เป็นลักษณะนี้เหมือนกันนะ <Okay. S 2> ก็จ ะ, ะนิพพานอย่างสบายใจละ ค, ค, คือสิ้นไปแห่งราคะโทสะโมหะก<ช>็คือปรินิพานไปเลยนะจ้าค่ะใช่ซึ่งในในคืนที่ปรินิพานด้วยอนุสัปอนุปิเศษานิพานธาตะนะก็เป็นลักษณะของผู้ที่มีสติอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่ตอลอดเวลาเหมือนกันแล้วก็เข้าฌานหนึ่งสองสามสี่ไปอารูปสัญญาสมาบัติห้าหกเจ็ดแปดกลับมาแล้วก็ปรินิพานไปนะอย่างสบายใจ พุทธเจ้าเคยใช้คําอธิบายการปรินิพานของพระองค์บอกว่าพระศาสดาที่แสดงธรรมไว้เรียบร้อยแล้วน ะ, ะได้รู้ได้เห็นแล้วแล้วครั้นรู้ครั้นเห็นแล้วก็บอกแก่ภิกษุทั้งหลายเนี่ยพระศาสดาแบบเนี้ก็เป็นผู้ที่กระทําที่สุดแห่งทุกได้แล้วก็ปรินิพานอย่างลืมตาปรินิพานอย่างลืมตานะถ้าจะพูดพูดภาษาบ้านเราก็อาจจะว่านอนตายตาหลับบ้างกันเถอะ อ่าก็คือตายอย่างคนตื่นอยู่นะมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดอ่าอินทรีย์ได้รับการปิดกั้นอยู่ตลอดในมีสติอย่างในลมหายใจอย่างงี้เป็นต้นอย่างเงี้ยน ะ, ะอืมอ๋ออันนี้ก็จะเป็นดีมากๆเลยนะเจ้าค่ะทีนี้โยมเคยได้ยินนะเจ้าค่ะพ ร, าาระอาจารย์ที่ขาว่าอ่าบางทีเราก่อนนอนเนี่ยก็ตามที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยส่งตรัสไว้แล้วก็ส่งสั่งสอนว่า ชีวของคนเรานี่กายสังขารก็ไม่ใช่ของเราใช่ไหมเจ้าคะดังนั้ น, นความไม่ไม่เที่ยงมันก็เกิดขึ้นได้เสมอทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปดังนั้นก็มีคําแนะนำนะเจ้าค่ะว่าอตอนที่เราเข้านอนเนี่ยหลังจากที่สวดมนต์ไหว้พระเรียบร้อยแล้วก่อนจะนอนนี่ก็ทําสมาธิพุทโธไปเรื่อยๆถ้าเกิดเราจะต้องเกิดมีอันเป็นไปหลายตายหรืออะไรอย่างนี้ก็จะไปสวรรค์ใช่ไหมเจ้าค่ะโอ้แ น, น่นอนเลย <c oughs> จริงๆเป็นสิ่งที่ต้องทําเลย ควรจะต้องทําตลอดเวลาเพราะว่าคือไม่ใช่เฉพาะก่อนนอนเท่านั้นนะคือต้องทําตลอดเวลาคือหมายความว่าการนอนเนี่ยคือเราเราก็ไม่รู้สึกตัวใช่ไหมถ้ า, ถาหลายหลายท่านอาจจะไม่ได้รับการฝึกถ้าคนที่ฝึกอาจจะรู้ตัวอยู่บ้างถ้าเราไม่ได้รู้สึกตัวเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องให้จิตของเราเนี่ยมีสมาธิอยู่ตลอด <Okay. S 1> ใช่ไหมโดยการที่บางคนอาจจะรู้สึกร่มหายใจก็ได้หรือว่าอาจจะ นั่งพุโทโธก็ได้ใช้คําว่าพุโทโธก็ได้ใช้สมาอาหังก็ได้ใช้รูปนามก็ได้ยุบหนองพองหนอก็ได้เอาซักมันซักวิธีหนึ่งนะเพื่ออะไรเพื่อให้จิตของเราเป็นสมาธินะจิตเป็นสมาธิเนี่ยสมาธิคือสิ่งที่เราต้องการนะต้องการนะไม่ใช่อยากนะถ้าอยากมันจะไม่ไดนะ้เพราะว่าอยากแล้วมันจะทําให้จิตตรงเดินไปทางตรงกันข้ามกับสมาธิเลยสมาธิต้องปล่อยวาง อืมเจ้าค่ะคือเวลาทำสมาธินี่ก็คือไม่ต้องว่าอยากจะเห็นหนู่นเห็นนี่หรืออยากจะเป็นอะไรใช่ไหมเจ้าค่ะตับจิตใิดหนึ่งอย่างเดียวนะเจ้าค่ะใช่ใพอถ้ามีความอยากแล้วเนี่ยชื่อว่าจิตของคุณยังมีมีเครื่องกัางกั้นอยู่นะกั้นไม่ให้จิตอ่าเครื่องกัางกั้นตรงนี้เขาเรียกภาษาบาลีว่านิวรนนจะ ก, กั้นไม่ให้จิตของเราเป็นสมาธิถ้ามีนิวรนจิตไม่มีทางเป็นสมาธิแน่นอนเจ้าค่ะนะเมื่อเป็นลักษณะนี้แล้วก็เลยต้องให้อย่ามีความอยาก แล้วถ้าไม่อยากก็ทํำยังไงเอาทําให้ถูกเฉยนะจิตของเราต้องเป็นสมาธิคุณใช้วิธีไหนก็ได้เอามันสักวิธีหนึ่งวิธีที่พระพุทธเจ้าแนะนําบ่อยที่สุดนั่นก็คืออนาปันสติครับคือกําหนดลมหายใจเข้าออกใช่ไหมแล้วก็มีสติอยู่ที่เดียวใช่จิตพอจิตของเราเป็นสมาธิแล้วเนี่ยทำยังไงต่อพระเจ้าก็บอกว่าให้น้อมจิตไปเพื่อการนอนน้อมจิตไปว่าอย่างไงว่าบาปอกุศลธรรมทั้งหลายอย่าได้เบียดเบียนเราผู้ซึ่งนอนอยู่ด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้เลย แล้วก็นอนไปให้น้อมจิตไปอย่างนี้ ค, นคือจะหลับแล้วใช่ไหมคือนอนอยู่นอนตื่นอยู่นะคือนอนตื่นอยู่แล้วก็อาจจะพุดโทไปรู้ลหมหายใจไปสมาหลังยุบเนอพองเนอเอาสักวิธีหนึ่งเอาวิธีเดียวพอหลังแล้ว่อนที่จิตเป็นสมาธิแล้วเนี่ยก็น้อมจิตไปว่าอ้าวฉันจะนอนแล้วนะเนี่ยบาปอคุณธรรมทั้งหลายอย่าได้เบียดเบียนกันเลยนอนไปเลยหลับหลับไปเลยก็จะหลับเป็นสุขนะเจ้าค่ะใช่หลับก็หลับเป็นสุขตื่นก็ตื่นเป็นสุขเป็นผู้ไม่ฝันร้าย เทพเทวดาต่างๆก็รักษาเราทีนี้การทำตรงนี้เนี่ยที่อาตมาบอกเมื่อสักครู่นี้ว่ามันจะต้องทำตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะการนอนด้วยยิ่งจะเป็นการดีซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าท่านผู้ฟังทั้งหลายผู้ที่เป็นนักภาวนาเนี่ยน ะ, ะหมายถึงว่านักไปไปวัดหนังสมาธิมีการศึกษาคำสอนพรุทธเจ้าบ้างเนี่ยะจะพบว่าในอย่างเรื่องของการสังเกตลมหายใจอย่างนี้นะอนาปานสติเนี่ย ใ น, ในสูตรที่เรียกว่าอานามปาณสติก็ตามเนี่ยน ะ, ะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยจะบอกว่าให้มีสติรู้ตัวให้มีสติรู้ตัวให้มีสติรู้ตัวทั่ ว, วพร้อมบ้างอะไรต่างๆบ้างเนี่ยนะเราจะพบว่าในคําว่าพอแปลมาเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยก็จะเป็นผู้ใช้คําว่ารู้นะืรู้ตัวทั่วพร้อมระลึกรู้นะืรู้พร้อมเฉพาะอย่างเนี่ย <Okay. S 1> ซึ่งมันความหมายกใกล้เคียงกันมากแต่พอเราไปดูในภาษาบาลีนะอาตมาเพิ่งมาค้นคว้าเมื่อสอสมวันที่ผ่านมา ปรากฏว่าหลวงพ่อมาสอนสอนมหาสตรีประสานสูตรนะสอนบาลีด้วยก็เลยพอมาเห็นบาลีเราตกใจเลยว่าโอ้ตายละคาของพุทธเจ้าเนี่ยคมกว่ามากๆากเลยที่เป็นภาษาบาลีนะพบว่าคําว่าแค่ระลึกรู้เนี่ยนะหรือสติเนี่ยนะในภาษาบาลีเนี่ยนะคุณเตือนใจมีใช้ถึงสามคำในสูตรเดียวคือในอณาปนาสติสูตรคําแรกที่พุทธเจ้าใช้เนี่ยคือคําว่าสตินะสัตโตหรือว่าสติตรงนี้ ซึ่งสตอหรือสติตรงนี้เนี่ยหมายความว่าอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกนนี่ที่พระเจ้าพูดอยู่บ่อยๆเรื่อยๆนะคืออันนี้ให้มีสติแน่วแน่นิ่งอยู่ที่เดียวในขณะเดียวกันนะคำถัดมาที่พระเจ้าใช้คําว่ารู้พร้อมรู้พร้อมเฉพาะเนี่ยก็ใช้คําว่าประชานาตินะภาษาบาลีใช้คําว่าปัญณาติซึ่งหมายความว่ารู้พร้อมเฉพาะในการอะไรในการเดิน ในการพูดในการกินในการไปห้องน้ําในการหยุดในการนั่งการนอนคือทำไอเดียบทต่างๆนะคุณต้องรู้อ่าซึ่งบางคนเนี่ยมาเคยบอกแต่มาบอกโอ้ทําไม่ได้หรอกให้ดูลมหายใจไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยดูลมหายใจไปด้วยขับรถไปด้วยทําไม่ได้ซึ่งซึ่งซึ่งเขายังไม่เข้าใจว่าจริงๆมันได้ตรงที่เป็นประชานาติแต่ตัวสติเองเนี่ยนะมันนิ่งอยู่กับที่คือลมหายใจค่จะแต่ตัวประชานาติเนี่ย คือรู้ในอิริบทต่างๆรู้ในการกระทําต่างๆในอย่าง <Okay. S 1> ทไมคุณดูหนังคุณก็เห็นภาพไปด้วยแล้วก็ฟังเสียงไปด้วยอย่างทําได้เลย <Okay. S 1> ใช่ไหม <Okay. S 1> ซึ่งมันคือประชานาตินั่นเองการรอบรู้ในในรอบรู้เรื่องทั่วทั่วไปเรื่องรอบรอ บ, รอบนอ ก, นอก <Okay. S 1> แล้วคําที่สา <Okay. S 1> ที่พระเจ้าใช้เนี่ยคำว่าคือคําว่ารู้พร้อมเฉพาะคําคําที่สองเนี่ยคือประชานาติเนี่ยนะหมายความว่ารอบรู้นะรอบรู้ <Okay. S 1> คําที่สมเนี่ยภาษาบาลีเขาใช้คําว่า สามีติสิกตินะสติแบบสิกติซึ่งหมายความว่าเป็นผู้ที่ทําการศึกษาให้รู้พร้อมเฉพาะทําการศึกษาให้รู้พร้อมเฉพาะถ้าจะเปรียบเทียบคือมีสติสามคำนะในในที่นี้ที่จันทิบายทราบคําแรกคือสติที่เป็นแบบสโตสัตโตวะภาษาบาลีนะสะโตวะสะตินี้แบบที่ 1, 1> สติแบบที่สองนี่คือสติแบบประชานาตินี่คือแบบที่สอง สติแบบที่สามนี่คือสติแบบสามมิติสิกติสาแบบนะเอาสติแบบแรกเนี่ยคือหมายความว่าอยู่ที่เดียวคือที่ลมหายใจอยู่นิ่งอย่างเดียวไม่ทําอะไรเลยนะอย่างที่สองเนี่ยก็คือว่ารอบรู้ซึ่งซึ่งสิ่งทั่วทั่วไปรอบๆตัว อ, อย่างที่สามเนี่ยคือสติแบบสามมิติสิกตินี่นะคือคุณต้องไปทําการศึกษาในการเพื่อที่จะให้รู้เอายกตัวอย่างเลยอย่างเช่นคนขับรถคนขับรถเนี่ย กูคุณต้องต้องมีสติในการเข้าเกียร์จับพวงมาลายัยดูกระจกซ้ายขวาหน้าหลังถูกไหมไม่งั้นคุณจะขับรถชนแน่นอนแต่ว่าบางทีเนี่ยเราขับรถเลยบ้านตัวเองเอามาส่งลูกอภิกรเลยโรงเรียนแส <Okay. S 1> ดงคุณมีสติแต่คุณไม่มีอย่างที่สองคือปัญญาติ mm, คือ<ช>ไม่รอบรู้เรื่องขนทาง<ช>บาง<ช>ทีเราก็ขับรถเป็นแต่เราไม่รู้ทางเนี่ยมันก็ไปผิดที่แต่จะเรียกว่าเขาไม่มีสติก็ไม่ได้เพราะเขามีสติแบบสโตวะคือแบบแรก แต่เขาไม่มีสติแบบประชานาตีคือแบบที่สองใช่ไหม ใ, ในขณะเดียวกันเขาถ้าเขามีสติแบบแรกขับรถเป็นใช่ไหมรู้หนทางด้วยว่าต้องเลี้ยวตรงไหนเบรกตรงไหนหยุดตรงไหนเสร็จแล้วยังรู้เรื่องว่ารถเนี่ยมันทํางานยังไงระบบคาบร์บูเรเตอร์ทรงใจกําลังจากเครื่องมาระบบเกียร์ออกไปที่ล้อทํางานยังไงระบบไฟฟ้าวงจรต่างๆทํางานยังไงอันนี้คือศึกษาแบบสิกติเพราะฉะนั้นคือลึกมากเลยนะชั้นลึกซึ้งมากเลย หรือถ้าจะเปรียบเทียบอย่างที่สอง อ, อย่างคนไปวัดนั่งสมาธิอย่างเนี้ยคุณไปวัดนั่งสมาธิเอาคุณบอกว่าโอ้ย oh, hey, ฉันต้องนั่งเงียบๆอย่างเดียวนะใครอย่ามายุง่งต้องนั่งหลับตาเท่านั้นแล้วก็ถึงจะทําสมาธิได้ถ้าเดินไปห้องน้ําต่างๆทําไมได้อันนี้คือแบบแรกเลยสติแบบสโตนะโคุณต้องนิ่งอยู่อย่างเดียวในขณะเดีดวยวกันคนที่ฝึกแบบปัญญาติได้สติอย่างที่สอง<ๆ>เขาจะลืมตาลุกขึ้นยืนออกจากห้องไปห้องน้ํานอนอยู่มีสติตลอด เขรู้ตัวตลอดอันนี้คืแบบที่2ใช่ไหมแล้วแบบที่3ามเนะี่ยคือเป็นทิฏฐานที่พระเจ้าแนะนําให้ไปนั่นะคือการที่เห็นความไม่เที่ยงเห็นความจางกลายเห็นความดับไปเห็นปีติเห็นสุขเห็นจิตเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นการปรุงแต่งทางจิตการทำแก้สังการให้รำงับอะไรพวกนี้อ่านั่นคือการที่อ่าเขาเรียกว่ามีสติแบบสิกขาสาธิติสิกติคือต้องทําการศึกษาให้จิตของเราเป็นไปในแนวทางนั้น เพราะฉะนั้นเราอยู่ที่ทํางานคุณเงินใจหรือเพื่ออยู่ที่บ้านใช่ไหม <Okay. S 2> คุณมีสติบแบบสโตได้ไหมได้แล้วคุณมีสติบแบบปัญญาติได้ไหมได้เหมือนกันแต่ถ้าเรามีอย่างประชุมอยู่ในที่ประชุมอย่างเงี้ยเราจะมีสติบแบบปัญญาติได้นั้นะแล้วถ้าเราสามารถชักนําจิตของเราให้ไปในทางทิศทางที่แบบที่สามคือสามิติสิกตินี่นะคือสติที่เห็นการเกิดดับบ้างสติให้เห็นความไม่เที่ยงบ้างอย่างเงี้ย ก็จะเป็นการดีเจ้าค่ะอันนี้โอ้โหลึกซึ้งมากเลยนะเจ้าคะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่โยมได้ได้ทราบถึงเรื่องของการมีสติที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสั่งสอนไว้นะเจ้าค่ะใช่ถ้าพุทธศาสนิกชนเราเนี่นํามาอปฏิบัตินี้โยมคิดว่าแบบจะยอดเยี่ยมมากเลยเจ้าค่ะคือเราแม้ว่าเราไปปฏิบัติธรรมที่ที่วัดพอเรากลับมาใช้ชีวิตใน ชิตประจําวันของเราที่ต้องทํางานทําการอะไรต่างๆเนี้ยก็คงจะเราสามารถทํามีรู้ตัวทั่วพร้อมเป็นประชานาติได้แล้วก็พยายามฝึกจิตของตัวเองต่อไปให้เป็นสามมิติแบบสามมิติ<ช><ช>แบบที่สามอ่าเจ้าค่ะอ๋ออันเยี่ยมเลยนะเจ้าค่ะอ่าซึ่งสามารถทําได้ซึ่งถ้าถ้าเราไม่ได้ไปดูบาลีเนี่ยนะคือค<จ>ําพูดการลักษณะการใช้คําของพระพุเจ้าเนี่ยเราก็ไปดูที่รัพท์ข อ, ของเขาเนี่ยเราจะไม่ทราบรายละเอียดแง่มุมเล็กๆน้อยๆพวกนี้เลย อืมเจ้าค่ะก็นับว่ามีบุญนะเจ้าค่ะที่โยมได้รับทราบจากพระอาจารย์ภับุญอภิปุโนโรพร้อมท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยเป็นประโยชน์มากเลยนะเจ้าคะทีนี้เรามีเวลาเหลืออยู่ในรายการประมาณสักสมนาทีนะเจ้าค่ะโยมอยากขออนุญาตกราบเรียนถามพระอาจารย์ไับุญอภิปุโนเจ้าค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการอพอเรามีสติแล้วเนี่ยเราต้องภาวนาอะไรยังไงไหมเจ้าคะอยากให้พระอาจารย์ได้ เมตตาชี้แจงเรื่องของการภาวนาให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังเป็นความรู้นิดหนึ่งจ้พาพระเจ้าได้พูดไวนะ้ตอนที่ตรัสรู้เสร็จแล้วใหม่ๆแล้วก็ตัดสินใจว่าจะนําธรรมะเนี่ยออกสอนอบุคคลทั้งหลายใช่ไหมก็มาคิดวา่าจะสอนอะไรดีความระลึกนี้ก็ได้เกิดขึ้นกับพระองค์ในที่ใต้ต้นไม้ใส่ใต้ต้นใส่ในที่พักของเด็กเลี้ยงแพ้อะนะก็พบว่าโอ้สติปัฏฐาน4นี่แหละ เป็นทางที่เขาสอนนะเพราะว่านี้เป็นหนทางเครื่องไปทางเดียวนะเพื่อการก้าวล่วงหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายนะเพื่อการพ้นจากความทุกข์ละโธมนัตนี่คือสติปัฏฐานสีเพราะฉะนั้นสติอย่างเดียวนี่แหละที่เรามีเอาแบบไหนก็ได้ใน3แบบนี้สักแบบใดแบบหนึ่งเอามันให้ได้ใช่ไหมพอได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปตามอัตโนมัติของเขาถ้าคุณมีสติอยู่ในลมหายใจคุณฝึกต่อไปฝึกต่อไปยนะคุณจะมีรู้พร้อมในเรื่องอริบทต่างๆ ฝึกต่อไปฝึกต่อไปนะฟังธรรมะไปเรื่อยๆจิตมันจะน้อมไปในทางที่พระเจ้ากำหนดไปแล้วลักษณะ น, นี้มันก็มีสติอย่างเดียวเลยนะจะเป็นทางที่เรามาถูกต้องแล้ว s okay. <S อืมแล้วก็ในการที่เราฝึกให้จิตของเรามีสตินี้เนี่ยก็ต้องมีหลักอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือเราหมายใจซึ่งตรงนี้อาจมาจะดูว่าก็เปรียบเหมือนกับตะขอนะที่บางคนอาจจะมองว่า ไม่ได้หรอกไม่เห็นหรอกออลมหายใจนี่เป็นเฉพาะสมถะไม่เป็นวิปัสนาอะไรต่างๆนะ <Okay. S 1> ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นทั้งสมถะและวิปัสนานั่นแหละ mm hmm. เปยนแต่ว่าเราเรามีตะขอเนี่ยคุณจะเอาอะไรเข้าไปเกี่ยวล่ะคุณจะเอาการเห็นการเกิดดับเข้าไปเกี่ยวก็ได้คุณจะเอาเห็นความไม่เที่ยงก็ได้เห็นความจางคลายดับไปก็ได้เห็นปีติสุขได้หมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติอยู่ในลมหายใจนะอย่างเดียว นะเราก็จะสามารถค่อยๆพัฒนาจิตของเราไปในทิศทางที่ดีได้จะเป็นผู้ที่โกรธก็โกรธน้อยลงยินดีในสิ่งไหนๆมีความกำหนัดก็กำหนัดน้อยลงจิตของเราจะเหมือนกับภูเขาหินตั้งมั่นไม่หวั่นไหวได้ลักษณะนี้แล้วก็สามารถที่จะทนกับแรงเสียดทานหรือว่าสิ่งที่มารุมร้อมเราในชีวิตประจาวันในฐานะที่โเป็นคารวะได้ใช่คะใช่ถูกต้องทุกครั เราเหลือเวลาอยู่อีกหนึ่งนาทีนะเจ้าคะพระอาจารย์ในบุญมีอะไรที่จะเพิ่มเติมไหมเจ้าคะหรือจะฝากกาให้ท่านผู้ฟังใดแง่คิดอะไรอีกก็รับมินมลเลยเจ้าค่ะก็คือว่าพูดถึงคาถาที่เราจะพูดในวันนี้สรุปไว้นะพระเจ้าได้บอกกับพระอานนุ์ฝากไปบอกถึงนายจุนทักมรบุตรที่ถวายอาหารมื้อสุดท้ายไว้ว่าบุญย่อมเจริญงอกงามแก่ทายกผู้ให้อยู่ผู้ให้อยู่เวรย่อมไม่สืบต่อแก่บุคคลผู้ระ ง, งับเวรเสียได้ คนฉลาดเท่านั้นละบาปเสียได้แล้วก็นิพพานเพราะความสิ้นไปแห่งราคะโทสะและโมหะอย่างนี้เจ้าค่ะก็ต้องฝากไว้ให้บรรดาพุทธศาสนิกชนนะเจ้าค่ะได้น้อมนําไปพยายามประพฤติปฏิบัติตามคําสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็ท่านผู้ฟังคะถึงเวลาที่เราจะต้องอําลาจากกันแล้วนะคะสําหรับรายการธรรมาราปรุณในเช้าวันอาทิตย์นี้ค่ะก็ คิดว่าคงต้องของนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบน้มัศการอลาแล้วก็กราบขอบพระคุณพระอาจารย์เปบุญอภิปุโนลูกศิษย์เอกของพระเดชพรคุณหลวงพ่อดออรสะอาดที่โทภาโซท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโศตําบุญดอนไฮโศอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะเราจะกลับประค บ, บกันใหม่ในเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์หน้าซึ่งก็จะมีเรื่องราวและพระคาถาที่มีประโยชน์ต่อชีวิตประจําวันของเรา มานำเสนอท่าผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังกันอีกในรายการธรรมารับรรุณของเราเหมือนเคยคะ่ะสําหรับในเช้าวันอาทิตย์นี้เรามากลับน้ำปาการขอบพระคุณและก็ลาพระอาจารย์ใบบุญอภิบุโญพร้อมกันนะคะกลาบน้ำปาการและกลาบขอบพระคุณเจ้าข่าพระอาจารย์เจ้ขาข่าใช่อาจรย์บอลสเจ้ขาข่า